กาอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากมันไม่สะดวกกว่าซับซบกันอยู่ถ้าอยู่อย่างพระรหันต์ท่านหรือพระระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรพราต่างคนต่างสิ้นกิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะมาละแคละคายมากระทบกระทืนกันเหมือนพวกครังกิเลสอย่างพวกเรานี้ พวกนี่มันพวกครังจิเลสทั้งๆ ท, ที่ปฏิบัติธรรมะอยู่นั่นแหละให้กิเลสมันเหยียบหัวออกมาได้อย่างสะดวกสบายไม่รู้สึกตัวยังภูมิใจไปด้วยกับกิเลสนั้นขนาดนั้นนะแต่มันน่าสังเวชถ้ามีความรู้เหนือนั่นดูแล้วมันก็ น, น่าสังเวชนะแต่เจ้าของนันภูมิใจนี่อันหที่ทำให้สลดสังเวชอยู่มาก ผมทนนะอยู่กับหมูกับเพื่อนนะผมไม่อยากพบไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะเทพหมดกำลังความสามารถทุกแง่ทุกมุมทุ่มลงหมดเพื่อหมูเพื่อคณนะด้วยความเมตตาจริงๆไม่ได้เสกสรรมากก็ทนเอาวมันก็ไม่พ้นที่ในกิเลสมันออกมาเพ่ผพานไม่ขึ้นเวทีเหยียบหัวผ้าหัวเน่น อยู่ในวัดในวาของผู้ปฏิบัติไม่อยู่ในใจของผู้ปฏิบัติแม้ไม่แสดงออกม า, าก็เหยียบอยู่ภายในไม่เคยพูดเสมอก็พูดออกมาจากความจริงพูดด้วยการพิจารณาอยู่แล้วและพิจารณาแล้วเรื่องของเล่หกับธรรมมันเป็นยังไง ก็เหมือนกับทนานบัตรจริงกับทนานบัตรปลอมนั่นแหะตาธรรมดาตัวๆวไปอย่างเรามันไม่รู้นี่ท่านบัตรปลอมกับทนานบัตรจริงตาที่ควรรู้เท่านั้นถึงจะรู้ได้ในหมดเรายกตัวอย่างเช่นบ้านนอกเนี่ยมันมีพอสองสามายไม่จะรู้ทนานบัตรปลอมเช่นเนี่ยยกตัวอย่างบ้านตาดอย่างเงี้ยทั้งบ้านนั้น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 ม, มือสัมผัสภาพรูร้ทันทีไม่ถึงกับต้องตาต้องดูแหละเพราะความจำนานมือปฏิบัติให้ทันกับที่เหลวลองดูสิทำไมมันจะไม่รู้มันยับออกมาที่ไหนมันก็รู้รู้ทั้งนั้น้าใ น, นหัวใจเจ้าของไม่มีมันยับออกที่ไหนก็รู้ ในหัวใจเจ้าของมันต้องรู้อย่างนั้นก่อนมันถึงจะทําลายกันได้ถ้าไมนรู้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ทําลายกันไม่ได้ทําลายมันไม่ได้นี่แหละธ่นานนบัตดปรองกับท่านนบัติจิมระหว่างทำกับทำกับอธรรมมันอยู่ด้วยกันแซรกด้วยกันในหัวใจของเราดวงเดียวเนี่ยมันไม่ไม่มีทางที่จะรู้ได้ทั้งทั้งที่ว่าตัวประกอบความภาคเย็นเพื่อการกรกองสิ่งเหล่านี้ออก แต่สุดท้ายมันก็ขับไล่เราทำพวกเราออกไปหมดมเหลือแต่ของปลอมเต็มหัวใจเราไม่ทราบจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดที่มั่นใจมันมีแต่ของปลอมเต็มหัวใจอยู่แล้วอย่างนั้นอืเราคิดดูที่พระพุทธเจ้าทําไมจะไม่นกราบไหว้ละ่ะโลกทั้งโลกไม่ ไม่เห็นของปลอมของจริงันทั้งที่มีอยู่ในหัวใจทุกดวงทุกดวงพระพุทธเจ้าทรงรู้พระอรหันต์ท่านรู้ละสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้สัตว์โลกทั้งหลายละไม่เป็นไม่รู้จักวิธีละไม่รู้แล้วก็ยังละไม่ไม่เป็นละไม่ถูก แต่ท่านรู้ท่านละเนี่ยปิดกันไหมละ่ะกับพวกเราอย่างนี้อ่ะอยู่บนกราบทรียกว่าพุดธพุทธังสนังอระชามนเป็นอย่างนี้เองธรรมที่เป็นของแท้กับสานาังอระชามีก็เช่นเดียวกันใจของปลอมกับธรรมของแท้มจะเข้ากันได้ไหมสังคังสนังอระชามีกัน ใจท่านบริสุทธิ์เต็มดวงกับธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่ธรรมในรธรรมชาติก็เข้ากันได้สนิท ป, ปฏิบัติธรรมจึงต้องเลยใช้ความพยายามเอาอย่างมากทีเดียวไม่เช่นนั้นขอไม่พ้นที่จะมันตกหูตกตาอยู่ตลอดเวลา ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องที่กล่าวมานี้ด้วยอย่างนี้การฝึกสมาณิจึงต้องใช้หลายอุบายีิถีต่างๆตามแต่ใครจะคิดได้คนได้อุบายอะไรออกมาเพื่อการแก้ไขต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอธรรมอยาพระพุทธเจ้าสอนไว้มีมากขนาดไหน เพรงแปดหมื่นสิบพันพระธรรมขันธ์นั้นพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยอุบายวิธีการที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสามภพสามโลกนี้จะมากมายขนาดไหนใทยเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าคณะไหนเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพราะองค์จะทรงแสดงไปตามประดิษัยของผูนั้นของคณะนั้นันน้นนน ธรรมะจึงไม่ซ้ำรอยกันมีกี่หมื่นกี่แสนรายก็แยกก็แยะสอนเป็นอย่างนั้นนั่นหละธรรมะที่นำมาสอนโลกมากขนาดนั้นแล้วจะมาจดจจัลึกไหวหรือเฉาพ่อองค์สอนโลกมานานเท่าไหร่สี่ห้าพระปัญหาใโลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องวันหนึ่งวันหนึ่งมากมายเพียงไรในรายบุคคลก็ดีเป็นคณะก็ดี ทั้งประชาชนพระในเต็มไปหมดทั้งจะใช้วิชาที่ดึกรับเข้าไปอีกอย่างที่ยานอย่างทราบเนะี่ยสอนพวกที่ไม่มองหาร่างไม่เจออย่างนี้สอนอยังไงอย่างพวกเทพพวกเปรตพวกผีบางประเภทที่ควรจะรับพระโอาวาสควรจะโปรดได้มีอยู่มากมาย พวกตามบอดก็ปฏิเสธว่าไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอย่างเงี้จะว่าไงนี่แหละที่ว่าธรรมมันค้านธรรมมันเป็นค่าศิษต่อธรรมแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนโลกศรัทธาเทวมนุษย์สารังนัง่นฟงด้เทวดามีกี่มีกี่ชั้นมีกี่ประเภทของเทวดานับจากภูมิเทวดาอากาสาเทวดาลุกขะเทวดาขึ้นไปจนระทั่งถึงพรหมโลก มากไหมนี่จะต้องใช้วิชาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นวิชาทัา่วไปอย่างที่เราสอนโลกทั้งหลายนี้พระองค์ไม่ได้นำไปใช้ทาประเภทนี้ไม่ได้นำไปใช้กับพวกสัตว์ประเภทนั้นชั ต, ตาก็แปลว่าผู้คล้องอจึงเรียกว่าสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้ได้ นำมีทมประเภทหนึ่งต่างหากที่สอนโลกนั้นโลกนั้นภูมินั้นไม่ได้เป็นธรรมประเภทที่สอนพวกเราทั้งหลายดังที่จดใจลึกไว้เต็มธรรมพีนั้นมากกว่านี้อีกท่านสอนแบบประเภทที่ลึกลับสลับซับซ้อนด้วยธรรมที่ลึกลับสลับซับซ้อนเช่นเดียวกัน มีจำนวนมากขนาดไหนนี่ฟังสินี่แหละจีวส า, า, าสดาเป็นอย่างนี้แหละพวกเราไม่เห็นท่านเห็นท่าพวกเราไม่รู้ท่านรู้อท่านสอนนี่แหละวิสัยของใจหรือเรียกว่าพุทธวิสัยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้านะั่นต่างกับวิสัยของสาวกและสามัญชนทั่วไปอยู่มาก มายทีเดียวคาดกันไม่ได้อามาเทียบกันไม่ได้เลยเนื้อธรรมที่นํามาสอนโลกมีหลายประเภทอย่างนี้เราจะพูดอะไรเพียงแปดหมื่นีพันพระธรรมขันธ์นี้เท่านั้นมันจะพอกับการสอนสัตว์โลกให้เป็นสัตโลกที่ดีและหลุดพ้นไปโดยลําดับได้ต้องมากมายเครื่องมือที่จะสอนคนให้ดีเช่นเดียวกับกับเครื่องมือที่จะ สร้างตึกรามบ้านช่องใหญ่โ ต, โ ต, โตแน่นหนามัน่นคงมั่นแน่นจะมีมากขนาดไหนเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกรามบ้านช่องยามใหญ่โตละโหฐานแน่นหนามัน่นคงกว้างขวางอ่นี่จะสร้างศัตร์โลกให้ดีก็เหมือนกันเช่นนั้นมีหลายประเภทซะด้วยศัตรูโลกที่จะทรงสั่งสอนด้วยอัานด้วยทำ พอเหมาะพอควรกับประเภทนั้นนัน้นี่สอนพวกเรานี่เป็นธรรมะที่มนุษย์ควรจะทราบก็สอนมนุษย์ด้วยธรรมะของมนุษย์นี่พวกเทพเป็นชั้นชั้นและเป็นภูมิเป็นชั้นกขาไปอีกก็เทพสอนตามขั้นตามภูมิของพวกเทพนั้นๆตลอดถึงเปรตผีอะไรก็แล้วแต่มันมีมากต่อมาก อยู่ในข่ายของพระองค์พอที่จะโปรดได้นั้นนะก็ต้องแนะนำทำมาสอนทำเหล่านี้ไม่มีใครรู้มีบ้างกับเพียงสาวกตามวิสัยของสาวกเท่านั้นที่จะสอนได้เพียงอยู่ในขอบเขตของตนไม่ได้เลยขอบเขตวิสัยของตนแต่ได้เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยถ้าเป็นน้ําก็ราวกับว่ามหาสมุทร ทะเลนั่นกว้างแสนกว้างอย่างนั้นเองความรู้ของโลกจึงควรจากการสอนโลกได้เราพูดถึงเรื่องธรรมไม่ใช่จะมีแต่เรารู้เราเห็นเราเรียนตามตำลับตำลาตรวจสังวรทะยายนจําได้มาปฏิบัติกันนี้เท่านั้นไม่ใช่มีไ ม, ม่มีเพียงตอนนี้มากยิ่งกว่า น, นี้เป็นทั้งไห น, ไหนอันนี้การปฏิบัติทางด้านคิดตภาวนาก็อีกเช่นเดียวกัน ความพิสดารของจิตที่เกิดขึ้นในท่านสมาธินี่ก็ม่คอยพิสดารอะไรมากนักแต่ยังไงก็ผิดคนธรรมดาที่ไม่เคยเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิอยู่มากทาั้งๆที่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่นักอันแหละแต่ก็มากสำหรับคนที่ยังไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้เป็นได้ในสมาธิขั้นนั้นๆแต่พอก้าวออกทางขั้นปัญญา นั่นล่ะวิกิตพิสดารอามากมายกายวามไม่เรียกว่าเกินคาดเกินหมายแม้ตัวเองผู้ที่รู้ที่เห็นก็ไม่ได้คาดไปหมายไว้ว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็เห็นประจักษ์ในขณะที่เหมาะสมความรู้หรือฐานะกําลังวางชาแห่งความรู้ความฉลาดของตนที่ควรจะรู้จะเห็นแล้วปิดไม่อยู่ต้องรู้ต้องเห็นได้นั่นในธรรมทั้งหลายนั้น นีพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นเป็นยังไงที่นี่เอามาเทียบกันดูสิขนาดกว้างพิสดารอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของเราธรรมดาธรรมนาทั่วๆวไปนี่จะมาเทียบมาเกียงมาตัดคะแนนมาให้คะแนนพระพุทธเจ้าได้เพราะมันมันเลยภูมิของจักรทั้งหลายไปเสียทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าภูมิของจักรจด่าแล้วเป็นเจตนนั้นซึ่ง ควรกราบว่าอย่างยิ่งสำหรับเราทำก็เหมือนกันความว่าทำเพียงเท่านั้นสร้างไปหมดเลยหลังคั้งแต่ลอวองค์มีจิตที่เลิศเลบเหมือนกันอีกนี่ละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายผนะู้ทธเจ้าท่านสอนมาถึงขั้นอรหัสตะบุคคล ทำที่ว่าทำทำนั่นละ่ะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงนํามาสอนโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยพ่ายพอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยประเภทนั้นๆไม่มีธรรมะอัะอั้นที่ศักดาจะสอนไม่ได้ทั้งๆที่พวกนี้ควรจะรู้จะเห็นได้อยู่แต่พระองค์ไม่สามารถที่จะสอนให้รู้<ๆ>เห็นได้อย่างนี้ไม่มีนอกจากเป็นประเภทประทะประมะเช่นเดียวกับประเภทคนไข้ที่ไอสี IC. พวกเข้าห้องไอซีอยู่หรือประเภทไอซีอยูมันหมอไหนยาไหนก็มันก็สูบีใสสัตว์โรคประเภทนี้ก็เหมือนกันไม่มีทางจะสอนได้แต่ว่าสุูิสัยของเบื้องเจ้าก็ไม่ใช่มันวุ่นสูบีใสของเขาที่จะรับทำนั่นเคยสอนโรคมาให้เลือดประเสริฐอยาว่าต่ดีเลยเลยให้เลือดให้ประเสริฐมามากต่อมากแล้วสัตว์โลกตั้งแต่ขั้นที่ กิเลสเต็มหัวใจจนกลายเป็นผู้สิ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนั้นแ่ะผู้เลิศคือผู้เช่นนั้นพระองค์ทรงสอนให้เลิศมามากต่อมากแล้วออืแต่พวกปัทัาปรมานี้มันหมดวิสัยข้องมันสุดวิสัยของมันที่จะรับได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสามารถทำนี่สามารถอยู่แล้วเคยสอนโลกม า, มามากต่อมากแล้วทําไมจะไม่สามารถนอกจากสัตว์แบบนั้นมันหมด ทางที่จะรับหูหวกตาบอดทั้งๆถึงหูดีตาดีความเชื่อบุญเชื่อบาปไม่มีในหัวใจจึงไม่มีแก่ใจที่จะปฏิบัติและไม่มีแก่ใจที่จะเชื่อถือในธรรมทั้งหลายที่โลกทั้งหลายเขาเชื่อถือกันและผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมนี้มากขนาดไหนผู้ที่มันจะแวกออกจากตาขา่ายในธรรมทั้งหลายมันก็แวกไปได้อย่างนั้นแหละ ท่านจึงเรยกว่าผู้หนาผู้บางโลกนี้มันต่างกันอย่างนี้ปฏิบัติเพียงพวกเราเร า, เร า, เราท่านๆก็ลองดูสิปฏิบัติให้จิตใจได้เป็นไปตามภูมิอัดภูมิทำดังพระพุทธเจ้าทรงรแสดงแล้วสิ่งที่จะควง ร, รู้ควงเห็นตามทิสัยของตนจะปิดบังนี้รับที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้ตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่มีเราจึงไม่เห็นไม่ตามความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ตามสภาพของมันอันไหนที่อยู่ในวิสัยของเราพอที่จะรู้ได้เราก็พอรู้ได้รู้ได้รู้ได้ดังที่เราในรู้ได้เห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแต่ทางใจในี่พิสดารมากเราก็รู้ได้แค่วิสัยของเราพอรู้ได้ทางใจนี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วไม่รู้ ส่วนทาใจที่กั่นกรองด้วยดีและกลั่นกรองดีแล้วเต็มภูมินิสัยวาสนาของตนแล้วต้องรู้รู้ตามภูมิแห่ง น, นิสัยวาสนาของตนนั่นภูมิของพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเรียกว่าสะพุทธวิสัยอันนั้นไม่มีอะไรจะไปเทียบได้เลยถ้านาน้ำน้ำก็พอเทียบได้จตว่าเป็นมหาสมุทรเท่านั้นเอง กว้างแคบขนาดไหนดูอามาหาสมุทรอันนี้เราเพียงเทียบนะมันยังมีฝั่งมาหาสมุทมนี่หน่กกว้างขนาดไหนมันก็ไม่พ้นฝั่งมองหาฝั่งไม่เจอฝั่งที่เรายอยู่นี้มันก็มีเนี่ยมันก็เจอจนได้ส่วนความรู้ของบุรีเจ้านี่ไม่มีสิงใดผู้ใดจะมาวัดมาเทียบความสั้นความยาวความกว้างความลึกละเอียดแล้มคมได้เลย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 ถ้าเบ้นแต่อันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งที่สัตว์โลกสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเหยียนมาเกิดแก่เกิดตายเป็นเดือนอยู่เดือนนอนเดือนตายเดือนเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนในสิ่ง น, นี้ที่อยู่ในยิสัยของสัตว์ที่จะเป็นไปได้ในเนี่ยนี้สอนอืเป็นสอนว่นนานรกเ น, น, นี่ยเพราะสัตว์ตัวในมันไม่ตกนรกมันมีที่ไหนฟนังเลยมันสัมผัสสัมพันธ์ พัวพันกันอยู่ลรืเผามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ชักเท่าไหร่แล้วจี่แต่ละดวงแล้วดวงนั้นอ่ะมันไปตกนรกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนส์เราหยับเราจะไปชิดอย่างอื่นเอาอย่างนี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสอนสิ่งที่มันคุกคีกันอยู่พัวพันกันอยู่ตลอดเวลาในภพในชาติหนึ่งๆพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นรกเอากี่หลุมก็บอกไปหมดเพราะสัตว์มันไปตกแจะทุกขหลุมอ่ะ นรกกลุมไหนที่ที่ว่างจากสัตว์โลกสัตว์โลกไม่ไปตกนรกนั้นร้างเหมือนบ้านร้างไม่มีคนนั้นมีที่ไหนทัน้งสิมีตั้งแต่สัตว์โลกไปตกจนได้ตนไ ด, นได้ตามขั้นภูมิหรือตามความหนักเบาแห่งโทษแห่งกรรมของตนเองนี่ก็ไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นตกอ ย, อย่างนั้นอืมมีหลุมท่านก็อธิบายไว้หมดท่านอธิบายอย่างละเอียดในมหาวิบากนั่น ละเอียดมากทีเดียวหน้หลุมนรกมีกี่หลุมกี่หลุมหลุมหนึ่งเป็นยังไงหลุมที่แบบที่หนักที่สุดเป็นยังไงแล้วถัดกันขึ้นมาขึ้นมาเป็นลําดับลําดานี่ใครเป็นคนสอนอไม่รู้สอนได้ยังไงสอนอย่างนั้นนี่ก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอนอพ่อทรงรู้ทรงเห็นอย่าว่าจะเห็นนรกนี่เลยยังเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกแต่ละหลุมแตหลุมนั้นเต็มไปหมดไม่มีความว่างจักสั่งเลยนรกแต่ลหลุมๆนั้นนั่น มันมีความจำเป็นอยู่อย่างนี้กับสัตว์โลกจึงต้องสอนให้รู้โทษแห่งบาปแห่งกรรมที่เป็นทางก้าวเข้าสู่นรกนั้นแล้วสอนบาปมีนี่บาปนี่นเป็นเครื่องผลักเครื่องดันให้ลงไปตงนรกได้นั่นบุญมีบุญเป็นเครื่องหนูนให้ระสู่ความดีคติอันเหมาะสมจนกระทั่งถึงบุตรความหลุดพ้นพ้นจากบุญนี่ไปไม่ได้นี่มันมีความจำ สิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนนั่นอย่างนี้ตั้งหากนะไม่ใช่จะเอามาสอนซุ่ม 4, สี่ซุมห้าสอนให้พอเหมาะพอดีกับทฤษีนิสัยของสัตว<พ>์ความรู้ของสัตว์ที่พอจะเป็นไปได้แน่ไหนก็ทรงสอ น, นเช่นบาปมีบาปมันเผามนุษย์เผาสารโลกหรือเต็มโลกธาตุนั่นนี้มันว่างจากบาปเมื่อไหร่สัตว์โลกนี้ด้วยด้วยบุญด้วยบาปไม่ทั้งนั้ น, น, น เขาขานกันอยู่ถ้าเป็นไฟชั่วายดีก็หนุนกันไป ห, หนุนกันมาสับปนกันเออเนี่ยเพราะดีก็ก็ทําชั่ว ก, ก็ทําทุกก็ได้รับทุกก็ได้รับมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในศาสตร์แต่ละแต่ละหลายหลาเนี่ยว่างเมื่อไหร่นี่จึงจําเป็นที่พระองค์จะต้องสอนระบาศมีให้กลัวออบาปนี่แหละพับผัผผผผผผผผกลงไปนานรกถึงเป็นนรกแล้วเป็นร้อนก็เพราะอํานาจแห่งบาปศีบิบากนั่น มันหลายขั้นหลายผู่หลายตอนนะบุญบอกนรกกี่หลุมก็บอกหมดเพราะเป็นภัยต่อสัตว์บอกวิถีละวิถีเว้นหลีกเลี่ยงจากนารกนี้หลีกเลื่องยังไงคือย่ า, ยาทําบาปเนี่ยท่านก็สอนเนียมา ป, ประเภทไหนควรจะเป็นไปยังไงให้รับทุกทรมานมากน้อยเป็นไงสอนเป็นทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครละเอียดเกินทพระพุทธเจ้าสอนโลกแหละที่นี่ถึงพูดถึงแล้ว สวรรค์ ก, ก็เหมือนกันแต่สวรรค์หกชั้นขึ้นจะกระทั่งถึงพรมโลกนี่เป็นที่อยู่ของผู้มีความดีเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรมโลกห้าชั้นอันนั้นถึงขั้นของพระอนาคามีผู้ควรที่จะก้าวเข้าไปไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกลับมาอีกแล้วก็ก็ก้าวเข้าไปสู่พรมห้านี่คืออะไร พอมาโลกห้าชั้นท่านเรียกว่าสุดทาวาสถับแป่ออกก็ว่าเป็นที่อยู่ห่งผู้บริสุทธิ์คำบริสุทธิ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าสิ้นกิเลสแล้วคือผู้นี้จ ะ, จะเป็นผู้ติก้าเข้าสู่ความบริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นยังไรก็ไม่กลับมาอีกมีอยู่ห้าชั้น อ, อ, อวิหานี่เป็นชั้นต่ำละระดับของพระนาคามีถ้าเป็นสอบก็ ตั้งแต่ห้าสิบ็ตได้ใ ห, ใหถือว่าได้อย่างนี้ก่อนีน่แหละระดับบรรจุพานาคามีขั้นห้าสิบเอร์ซอวิหารอัตปาก็สูงเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปอวิหารอัตปาสุตัสสาสุตัสสีสอกคนิฐามีห้าชั้นเมื่อก้าวเข้าสูอ่อวิหารนี่แล้วในขั้นที่เทียบกับว่าห้าสิบเปอร์ซนต์นี่แล้ว ธรรมชาติอันนั้นจะค่อยเป็นไปในตัวเองอเหมือนผลไม้ที่แก่แล้วมีตั้งแต่จะสุกเลยถ่ายเดียวก้าวเข้าสู่ความสุขอันนี้ก็ก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปจากห้าสิบที่ได้ระดับนี้แล้วก็ก้าวขึ้นหกสิบเจ็ดสิบไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นอวิหาตตาปลาทุรษาทุร ษ, ร ษ, รษีเลื่อยขึ้นไปไม่มีขมัดถอยหลังกลับลงมานี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งแห่ธรรมขั้นนี้หยอดทําทเป็นเองค่อยแก่ก้าวไปเองอย่างนี้ ถ้าจะเทียบกับหลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็คือหลักของปัญญาที่ก้าวเดินแล้วอยู่ในขั้นภาวนามยปัญญาแล้วคุณเนองอขั้นนี้เป็นขั้นที่จะก้าวไปโดยลำดับธรรดาไม่มีคําว่าถอยถ้าจีดลงได้ก้าก็สู่ภาวนามยปัญญาแล้วอันนี้แหละผู้ท่านเหล่านี้แหละเมื่อตายไปยังไม่สิ้นสุดตามความต้องการหรือตามความมุ่งหมายนี้ก็ไป ความมรรคห้าชั้นนั้นที่เรียกว่าสุดภาวะาแล้วก็เป็นไปในตัวเองอีกเช่นเดียวกันกับที่อยู่ในขันอันนี้ท่านมีคือเป็นภาวนามยปัญญาหากเป็นเรื่องของตัวเองหมุนไปในตัวอยู่ในอยู่ในนั้นอันคำวมหมุนหมุนนี่มันพูดยากนะก็เหมือนผลไม้ที่แก่อยู่ในตัวเองนั่นแหละเอาเทียบนี้พอเทียบได้เมื่อแกแล้วก็ค่อยๆแก่เข้าไปแก่ไปไม่มีที่จะถอยมาอีกและไม่เน่าไม่เฟะจะ การเป็นไ ป, ไปเพื่อสุขโดยถ่ายเยยวเท่านั้นนะ น, นี่ห้าชั้นนี้ไม่กลับนอกจากนั้นยังมีกลับอายุเจ็ดหมื่นปีแปดหมื่นปีในพรหมโลกกลับไ้าถ้ายังไม่ได้มีธรรมะอันสำคัญเข้าเป็นอุปนิสัยสา ม, มารถที่จะบรรลุธรรมท่านเรียวกว่าอุปนิสัยเข้าฝังใจเมื่อเข้าแล้วก็แน่เช่นอย่างพระโสดาอย่างนี้อันนี้แน่กัน โสตับแล้วก่ากระแสกระแสพระ น, นิพพานหรือกระแสความพ้นทุกข์พาดพิงถึงใจมีแล้วเข้านี่แล้วเนี่ยนิสัยอุปนิสัยแน่แล้วนผู้ที่ยังไม่สำเร็จพระโสดามีอุปนิสัยถึงขั้นประหลาญก็มีมากมายกายกองเราอยากเข้าใจว่าเพียงขั้นภูมิอพระโสดานี้จะเป็นอุปนิสัยเป็นเจ้าของแห่งอุปนิสัยแต่ผู้เดียวหรือแต่อย่างเดียวไม่ได้อื พูดท่านเหล่านั้นยังไม่ได้ว่าเป็นสําเร็จในขั้นใดแต่ภูมินั้นสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดได้มีเช่นเดียวกันกับผู้เป็นพระโสดาที่จะค่อยขยับขึ้นไปขยับเป็นไปนั่นแหละนี่นี่เป็นเป็นภูมิของสัตว์โลกที่จะต้องไปเกิดจติตบินญาณของสัตว์โลกเนี่ยจะเป็นไปมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นไปอยู่อย่างนี้ซับปนกันอยู่ตลอดเวลาทุกพบทุกชาติทกตรงไหน แงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ว่างจากความเกิดของสัตว์ไม่มีเลยเกิดได้ทุกแง่ทุกมุมตามหน้าแห่งกรรมท่านจริงได้สอนในสามภพนี้<อ>ที่เหมาะกับผู้ที่จะรับประโยชน์จากการฟังหรือด้วยการฟังจากพระพุทธเจ้า<อ>ก็ทรวงสอนอยู่ในเนี่ยนี้ภูมินี้ อ, อันใดที่ไม่ใช่วิสัยของ สัตวโลกเหล่านี้จะรู้จะเห็นจะเป็นประโยชน์แก่ตนพระองค์ไม่นํามาสอนรู้เต็มพระไทยก็ไม่นํามาสอนยกไว้เป็นประเภทประเภทประเภท น, นั่นนี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าสมทู้จงเห็นเป็นยังไงฟังเลยว่างขนาดไหนเลือกซึ้งขนาดไหนที่แยกออกมาสั่งสอนสัตวโลกนี่เป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมแห่งธรรมแห่งธรรมนะจนกรทั่งถึงอรหัตตภูมิถึงนิพพานนี่เรียกว่าธรรมเพื่อ้าก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์ ทำที่เห็นอยู่รู้อยู่ตามแบบธรรมชาติของมันของสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นเป็นอันหนึ่งเช่นอย่างรู้นรกเห็นนรกรู้สวรรค์เห็นสวรรค์รู้บาปรู้บุญเห็นบาปเห็นบุญตลอดถึงจัดโลกไปยังไงไงได้เสวยกรรมเพราะเหตุผลกลกอะไนี้ทรงรู้ทรงรู้อยู่นั้นอันนี้ไม่ไม่ไม่ทรงแก้เพียงแต่เพียงว่าทราบไปตามธรรมดาเหมือนอย่างจระุกเหมือนอย่างจระจุกปลาตะยานทรงทราบความเคลื่อนไหวความเกิดความตายของสัต โลกที่ไม่มีวิญญาณดวงใดที่จะอยู่เป็นอิสระได้มีตั้งแต่การเบียนว่าตายเกิดถูกซัดไรปรนู้นซัดไปรนี่เพราะกรรมนั่รรนแหละซัดไปสูงสู ง, สงสต่ำต่ำหรือมึนมันดนอนอีู่อยังนี้พระองค์ก็สอนตามภูมิเหล่านี้ให้ได้รู้นี่แล้วใครที่จะมาสามารถสอนได้อย่างพระพุทธเจ้ามีทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงมาสอนโลกนั่นฟังเลยพระองค์สอนในสิ่งที่อยู่ในมิสัยเรียกว่าฐานฐานะ ที่ควรเป็นไปไดาก็สอนไม่ใช่สอนในสิ่งที่เป็นอัถาศนะคือเป็นไปไม่ได้ก็สอนอย่างนี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสัตว์โลกที่จะไปเกี่ยวข้องนี้ก็ไปสอนไปหมดครูพระพุทเจ้ามีมากขนาดไหนนํามาสอนหมดได้ยังไงนํามาประกราศสอนโลกหมดได้ยังไงไม่ได้นั่นพระองค์ทรงรู้ทั้งฐานะทั้งอัถานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และไม่เป็นไปไดท้ทั้งที่รู้ด้วยกันหมดทั้งสองอย่างนี้พระองค์ก็จะแยกออกมาสอนเพียง ที่พอรู้พอเห็นกันนะั้น่ะสรรโลกจะรู้ได้เห็นได้นทําประโยชน์ได้ตามที่พระเจ้าทรงสอนน่นเป็นประโยชน์จากสรรโลกได้อย่างน้ำจิ้มทรงสอนนี่แหละพวงคุศัตรวาเราฟังเลยออกมาจากไหนที่ว่านี่ก็ออกมาจากภาคปฏิบัติแต่พาะอย่างยิ่งกิตติภาวนาเป็นสาคัญบุญทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับแม่น้ําที่ไหลามาจากสายต่างๆ รวมกันมารวมตัวกันมามาสู่ทำนบใหญ่คือกิตตภวนานั้นเป็นที่เก็บน้ำํำกิตตภวนาเป็นที่รวมแห่งบุญทั้งหลายไม่ว่าจะออกทางมาทางด้านทานด้านศีลด้านภ า, น า, น า, นานวนามากน้อยเพียงไรจําได้จำมาได้ไม่สําคัญสําคัญที่ต้องรวมลงไปรวมงไปทํานั้นแล้วต้องเป็นอันธรรมบุญต้องเป็นบุญบาปต้องเป็นบาปนี่แหละที่ว่ารวมลงไปรวมลงไป พอเข้าถึงขั้นคิดต่อภาวนาแล้วเป็นที่รวมของกุศลทั้งหลายจากนั้นก็สามารถความรู้นี้เป็นความรู้ที่ละเอียดเข้าไปยังจารนัยแห่งความดีทั้งหลายของตัวเองออกไปกีให้เห็นชัดเจนลงไปะถึงจนถึงขั้นที่ว่าจะไม่กลับก็รู้แหละที่นี่ภายในจิตใจอํา น, จนาจแห่งความดีทั้งหลายหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปจนทราบชาัด ท, ทั้งทั้งที่วิเลิยังมีอยู่ในหัวใจก็ทราบชาัดว่านี่ถึงขั้นไม่กลับแล้วก็รู้ คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเช่นอย่างพระอนาคามีท่านท่านไม่มาเกิดเนี่ยท่านก็รู้ท่านด้วยว่าท่านไม่กลับนั่นแหะธรรมสันติโ ก, โกพระองค์สอนให้เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้รู้ได้เห็นได้จริงๆในเจ้าของพระองค์ก็สอนอย่างนั้นผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นแต่ว่ายังไงก็จะจ ะ, จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เดียว่าผู้จะไม่กลับผู้นั้นก็รู้ตัวเองมาไม่กลับนั่นเงียบขั้นของกุศล ที่ฉลาดแหลมคมเข้าไปโดยลําดับๆคําว่ากุศลกุศลแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดก็ได้แก่ปัญญาขั้นของปัญญามีความล ะ, อมมละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับาจนกระทั่งถึงทราบเรื่องของตัวเองชัดเจนว่านีถ่ถึงขั้นที่จะไม่ต้องมากลับอีกแล้วแต่ว่ายังมีเชื้ออยู่ที่จะต้องตกค้างอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งรู้อยู่ภายในจิตใจนั่นยิ่งท่านถึงแก้เข้าไปแก้เข้าไปชําล่าเข้าไปจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้ว นั่นไม่ต้องถามอนิพานท่านก็รู้แล้วถิ่นชิ้นที่เดลสแล้วไปถามะอะไรฮหาสงสัยชิ้นแล้วหมดที่นี่ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้วน่ถึงขั้นพอตัวตนที่ก็รู้นี่แลหละอํานาจแห่งกุศลทําเหล่านี้ใครเป็นคนสอนได้มีไหมในโลกกานนี้มีมีใครสอนได้ไหมเป็นพระองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สอนได้ เป็นผู้ค้นคว้าหาเจอเจอได้ผู้พูดง่ายค้นคว้าได้เจอได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้าแต่นั้นก็นําอุบายวิธีการที่ทรงค้นได้พบได้เห็นประการใดบ้างนํามาสั่งสอนสัตว์โลกเช่นพวกสาวกทั้งหลายในปัจจุบันศาสนาของเราเนี่ยก็คือพวกเป็นจวบติทั้งห้านั่นถ้าอานาคต น, นาญาติเป็นต้นมาสอนตรงนี้วิธีการยังไงท่านก็สอนขึ้นเบื้องต้นกบ ธรรมจักรกับพระธรรสูตรเลยแต่จะไม่อธิบายท่านงธรรมจักรกับพระธรรสูตรนั้นก็อธิบายถึงทำรรที่ละเอียดเข้าไปอีกคือตรายรักอนัตตาและขันสูตรนั้นอริยังทุกขันธ์ตาอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถึงขั้นที่จะปล่ดล็ากจริงๆตรงตรงนี้อยายาสัตตีนี่เป็นที่รวมทั้งหมดอริจังค์ทุกขันธ์ตามารวมในอนยายาสัตตีนี้หมด ่หละอืมปัญญาขั้นละเอียดแล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องอันนี้จังทุกอยางนั้าตาละ่ะทราบหมดทุกอย่างเลยนี่แหละจริงยว่าโรงงานอันสำคัญที่ผิดความบริสุ์ไม่ว่าของใครนับแต่ของพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงสาวกอง์สุดท้ายคืออริยสัจนี่แหละเป็นเป็นสถานที่ที่เป็นโรงงานที่ผิดความบริสุ์ขึ้นมาความมืสุดแห่งใจ ขึ้นมาจากที่นี่ปราจะจากไม่ได้อายศาสตรเป็นธรรมจาเป็นเป็นรากเงา่าข้อวหมูลของพุทธศาสนาของเราโดยแท้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตนให้สมบูรณ์ในอายศาสตร์สีนี้แล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความหลุดพ้นของตนและไม่สงสัยในธรรมโดยประการทั้งปวงรู้หมดตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้ามีจีบพระองค์ไม่สงสัยไม่สงสัยเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกังวันอยู่ให้กว้างขวางไปไม่มีสิ้นสุดภุ่มบําเพ็ญตาม อายะศัพท์นี้ให้สมบูรณ์แล้วจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นน่ะนี่แหละที่ว่าศาสดราองค์เอกออกมาจากนี้ท่านจริงได้ประกาศทำนี้กรรมวานแก่พระเป็นเว้าคีทั้งห้าเป็นปฐมมาเลิกทีเดียวอืมเห็นไหมทำบุญเจ้าท่านทรงสั่งสอนเป็นอย่างนั้นแหละทำที่กล่าวมาเดี๋ย ว, วนี้นั่นน่ะมันสุดกูแล้วเหรอ มันข้ามประลาข้ามปรลาทวีไปเลยว่าเล่าเอื้อมไม่ถึงเราเลยหรือเป็นยังไงทุกอยู่ที่ไหนเวลานี้เราปฏิบัติทำเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายทุกเป็นอะไรทุกขังอริยสัจจังใช่ไหมนี่ก็คืออริยสัจสมมุติสมมติ ท, ทยายอริยสัจจังใช่ไหมอยู่ในกลางวานอยู่ในการในใจของเราเวลานี้มันอยู่ที่ไหนไกลไหมสุดกู๋ไหมอืมมันอยู่ที่ไหนเวลานี้แล้วก็มรคขาริยสัจจังอืมคืออะไร ท่านบอกว่าสมาธิสมาสังคโปรจงตั้งถึงสมาสมาธินี่คือเครื่องมือสังหารตัวสําคัญคือสมุไทยให้พินาศคิดหายไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธคือความดับทุกขึ้นมาเพราะสมุไทยคิดหายไปหมดแล้วใครจะผิดทุกขึ้นมาอีกมันก็นดับไปในดับธรรมชาติทั้งหมดเองในขณะที่สมุไทยนั้นดับไปมีท่านเดียกว่านิโรธนั่นละเอียดหมายวพระพุทธเจ้าอาการแห่งความดับทุกข์ก็แสดงให้รู้ว่านี่อาการหนั้นมีอยู่สีด้วยกัน โตกนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากสมุทยัยนี่โรดเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากมาัดเครื่องฆ่าสังหรือสังหารกิเลสเมื่อสังหารกิเลสคือสมุทยัยให้เจ็บชิ้นลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ดับทุกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืผู้ที่รู้ว่าทุกดับนั่นคืออะไรนั่นไม่ใช่อริยสัตว์นั่นละ่ะพุทธะแท้พระพุทธเจ้าเป็นตรงนั้นอันนั้นแ่ละเป็นพระพุทธเจ้าแท้ ทุกจงใจรอดมากเป็นเพียงกิริยาหรือเป็นโรงงานผิดความรู้สึกขึ้นมานี้เท่านั้นนะทํำไมมันจะไม่รู้แล้วเวลานี้อยู่ที่ไหนทําเหล่านี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่ใจของเราสรุปลงไปแล้วอยู่ที่ใจเอนะทุกค น, คนตายแล้วไม่มีทุกหรอกคนเป็นคือมีหัวใจอยู่นั่นแหละมันเป็นทุกเพราะมันจึงเกี่ยวโยงกันทั้งกายทั้งใจเป็นทุกชาติที่เทุกขาชราพี่เป็นทุกามันําไปอยู่ขัง น, นี่ก็เป็นอะไรสัตว์ แล้วย่นเข้าไปย่นเข้าไปมันก็ไปเข้าไปหาจิตนั่นแหละบีบหัวใจบีบจิตนั่นแหละพิจารณาแยก่าแยกขันดูสิงไดอย่างใดว่ามันเป็นทุ้งจิตมันไม่มีไม่มีเวลาไล่เข้าไปจริงๆเนาะนั่นะที่แรกก็ต้องมีอยู่ในกายนี้ก่อนเมื่อมันเข้าถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าไปแล้วมันไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมีอยู่ในจิตทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในสิ่งเหล่านี้ในในกับกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไล่กันเข้าไปถึงจิตแล้วนั่นหลักข่ากันตรงนั้นข้ากิเลสความต้องการมั่นหมายก็คือจิตคือก มันสำคัญมันหมายออกมานั่นข่าก็ไปตรงนั้นแก้เข้าไปตรงนั้นจนกระทั่งความสำคัญนหมายแะไรก็หมดเชื่อแห่งความสาคัญที่เทียวอวิชชาก็หมดไปไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเอาที่นี่หลงอะไรมาอืิติดอะไรที่นี่พูดที่พูดนั่ะรู้แล้วนั่นะตีว่าได้ดุทนแล้วเมื่อมักทํางานโดยสมบูรณ์เต็มที่และดับทุกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งได้เหลือแล้วเรียกว่าทํา งานในจะทําโดยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในขณะนั้นนี่แหละผู้เป็นพุท ธ, ธะก็คือผู้นี้เป็นองค์ศาสดาที่ว่าก็คือผู้นี้อพระสะกุลพระสารีราวนี้เป็นดวนร่างของศาสดาศา ส, สนาแท้คือคือจิติตผู้บริสุทธิ์แท้คือจิตสาว ก, ก็เหมือนกันอันเดียวกันแล้วจะสงสัยกันที่ไหนนี่เราก็จะก้าสอนจริงนั่นไม่ยิ่งเอาพี่นางไปสิ ในสัจะทําทั้งสีนี้สถานที่ที่ผิดควารมรู้สุดขึ้นมาคือสถานที่นี้เองเอจรงว่าศาสานาจริงว่าเอกเห<อ>็นมันเห็นในตัวเองเสก่อนเถอะเมื่อเห็นแล้วมันยอมรับเองพระพุทธเจ้าเอกเพราะเอกขึ้นมาจากสถานที่ใดเอกด้วยวิธีใดมันรู้ทั้งวิธีรู้ทั้งสถานที่ที่ทาําให้เป็นเอกเป็นเลือดรู้กันมาที่นี่ เราล่าวทำหลายประเภทวันนี้นี่ทำทำเหล่านี้ทำที่เหมาะที่ควรจะ่สัตว์โลกจึงสอนลงที่จุดนี้ผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวจะไม่หนีจากนี่เลยการการสอนจะย้ำลงในอายศาสตร์สผู้ที่ยังอุปนิสัยยังเป็นกำลังเป็นไปอยู่ยังสร้า ง, งวาสนาบา ร, รมีอยู่ที่ยังไม่ถึงขั้นนี่ควรจะเป็นไปนี้ก็คุณงามความดีทั้งหลายก็สอนไมหมดแล้วนี่จะวางไง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 ในยุทธูมิมันทำเหตุหาเป็นเด๋ยวมันวอกขึ้นฮานี่มือเุ่นเลยนี่ผมอ่ะแกมันดีกว่าตะกานตะกมันมันมันไม่มันเลิบลวกกับเลิบนี่เหรนสดานเอายามาจากฮ่องกงมาใหม่ฉันรู้ว่ามันสองหลอดนะว่ามันดีมันเนี่เเอานี่ยฉันยา หมอนั่นก่อนทีท่ีล่าก็ยัางฉันนี่นันทวันนี่คนะุคนนับวันมากเขามากเขาพาร้านเราก็ยิ่งหนักนะมันละอายเลยนะตัวนันนี้เห็นได้ชัดเลยนะไม่อยากเล่นกับอะไรอยู่ลําพังเจ้าของคนเดียวจะออกวาง น, นอกนี่ก็มีผู้มีคนนะึไม่ค่อยออกมาหรอกผมมาแล้วลุ่ ม, ม น, นี้เก็บเอวนะนี่นมัเปลี่ยนเลย่ก็ได้แล้วการตอนตอนเช้าพอตื่น้นอนไป็มานี่มันตัวมันแข็งทื่อไปหมดเลยนะ <c oughs> นี่มาลงโบสถไม่ได้เรื่องโอสถนี่เราตจดจ่จอมากนะใจเราแต่มันมือมันมาไม่ได้มันก็จําเป็นถ้าพอตะเกียบตะกายมาได้มาเห็นเดี๋ยวมันไม่เอานวยนไปเลย การงานอะไรที่ใครยังไม่เป็น้็ให้ฝึกให้หัดให้ฝึกหัดให้เป็นนะให้คล้องมือได้ด้วยกันนะอย่ามาอยู่เฉยๆนะใครควรจะฝึกหัดอะไรไๆให้ช่วยกันหลายไม้หลายมือให้คล้องมือไปให้คล้องสนินี่ไม่ได้เรื่องนะผมสังเกต ด, ดูอย่มันเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเราไปทำนองนั้นทอดอะไรตายอยากไปเลยนั่นอะไรกัน นี่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าทีขเราไปนั่นหรือก็นาทีของใครอาจารย์ดึเมียพันเตหูหีนเพื่ออะไรอืมทําการทํางานแบบนี้คนเราเป็นคนสั่งคนมอบภาระให้นี่จะเป็นใครไปไอ้นั่เครื่องอัดเทพเขาว่าเขาจะมาให้ดูได้เป็นไงได้ดูแล้วอย่งของเราก็มีถึงห้าเครื่องแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมากแล้วนะเราทำประโยชน์ทั้งหมดทังนั้นแล่ะเนี่ยแล้วอัด แจกแจกตะพัดตะพุอล่ะในวัดเราไม่ให้มีการซื้อการขายมันขัดต่อหลักธรรมของที่เจ้าขัดต่อศาสนาขัดต่อพระพุทธเจ้าที่พาดําเนินเกี่ยวกับโลกนีแต่วความเมตตาสงสารล้นลนล้นลน ล, นลน้ไม่ได้มีอะไรเป็นแบบการซื้อการขาย น, นี่มีกิเลสมันสวมรอยบอกกิเลสมันหากินตามนี้แหละยังวะเห็นไหมกิเลสสวมลอยมีที่ไหนก็ในอันนั้นกันยังบอกแล้วพระซื้อขายว่าไง น, นิตยทีข้อไหนนะทําการซื้อขายนั่นข้อเกี่ยวกับ อ, อะไรนิตยทีปฏิทีสามสิบนั่นอันลักที่สองนั่นเป็นข้ออะไรแต่อยู่ใกล้ๆครับชาติรู้วอะไรตานะถ้าทําการซื้อขายนั่นมันป่าบาดอยูอ่นั่นแหละมันก็เห็นนะนี่เห็นไม่มองดูเข้าอย่างไรมันมองดูมันจะหลังลายเงินหลังลายอย่งนั้นแล้วจะทําไง มันเราม่ไมีการซื้อการขายมันมันทําก็จะซื้อขายไปหาอะไรพระช่วยโลกมา้ยะครจะช่วยได้นีมีแต่ซื้อแต่ขายมันก็แบบโลกเขามันผิดแปลกอะไรกับโลกเขาวัดกับบ้านมันก็ว่าเฉยว่าวัดถ้าเป็นงนั้นแล้วมันก็เหมือนบ้านทีนี้พระกับโยมวัดกับบ้านมันต่างกันยังไงมันก็เห็นเงินอยู่นี้มันต่างกันมันก็ห้ามมาว่าไม่ให้ขายอย่างนี้อก พระพุทธเจ้าบ้าสาวโง่ทำทําหลังอะไรกับใครท่านไปที่ไหนเย็นไปหมดเรื่องเรื่องว่าโลปุญจคิเตางโลกสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกยังบอกไม่ใช่ปอกกินตับโลกนะมไม่เชื่อกายมียยยมมยอะไรแจกกระเชื่อไปก็อย่างังนี้ละขายแล้วอะไรอของเรานี่โถถ้าขายเงินจะเอาสักกี่ล้านวะหนังสือก็ดีเทปก็ดีมันน้อยเมื่อไหร่ คนชอบทังนั้นให้เขาได้เห็นเหตุนผลจะให้กว้างขนาดไหนก็เอาได้กว้างใครจะไปกว้างยิ่กล่มหัวใจคนถ้าทําให้กว้างนะวะถ้าทําให้แคบได้เท่าไรมันก็แคบอยู่นั่นหนึ่งหัวใจมันไม่พอจะให้กว้างขวางขนาดไหนหัวใจไม่พออยู่นั่นแหละวะหัวใจมันทับแคบแล้วหรอกทำใจให้มันกว้างขวางใครจะเกินศาสนาพูดวะแล้วใครจะเกินพริพุเจ้าสาวกท่าน่ะเรื่องหัวใจมันกว้างขวางมีประมาณเมื่อไรโปรดสัตว์โลกหนักวะ ทำไมเราจะคอยเอาความกว้างขวางกันด้วยการซื้อการขายซึ่งโลกเขาก็ทํามันเกลื่อนเห็นไหมกว้างขวางไหมโลกเวลานี้ล่ะดูสิมันกําลังจะเหยียบกันอยู่นแอืวคลายจะเอาลัดเอาเปรียบกันมันกว้างขวางไหมคนประเภทนั้นะดูสิวะบางเงินก็สอนก็บังเรื่องความเรื่องของบุรุเจ้ามันลึกขนาดไหนใครมันตามไม่ทันไม่เห็นนาเราจึงจะเราจึงไม่ไพูดเสมอว่า ทำรรมังพุยเ้ให้ให้อ่านดูกนาวอ่านสังเกตไปในบทใดบทใดก็ตามจะความหมายที่เต็มตัวเต็มตัวนั่นนอกจากเราไม่ได้สนใจท่านเองไม่ว่าทำมาส่วนใหญ่เป็นกลางส่วนละเอียดส่วนละเอียดนั้นเป็นสิ่งที่จะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงนี่จะจะยึดเป็นสําคัญมากนะพี่เจ้าสอนว่ายัางไงว่าตรงไหนตรงไหนอย่นี้มันจะจับป๊อจับปุ๊บจับปุ๊บพราะเพราะเพาวังความพ้นทุกข์นี่อันนี้เป็นทางพ้นภัยนี่มันก็ต้องยึดตัวสิ อ่านเี้เฉยมเป็นอีกอย่างก็เหมือนหนังสือทัว่วไปนะไม่ไไม่ได้ไม่ได้เหมือนหนังสือธรรมะแหละอ่านเพี้ยเฉยอ่านไม่คิดไม่อ่านถ้าอ่านคิดอ่านเพื่อการปฏิบัติเพื่อการก้าวเดินให้ได้ผลตามที่พระองค์สอนนั้นลองดูสิอ่านตรงไหนมันมีความหมายเป็นตัวเต็มตัวหมดน่ะตั้งโกงกับธรรมะ ส, สวัสดิาาธรรมตอบไม่ชอบแล้วจบแล้วไม่ว่าบทใดบันไหดไขั้นใดของธรรมเป็นสวัสดิาาธรรมคือตอบไม่ชอบทุกอย่าง คันนี้ก็ชอบในคันนี้ขั้นนี้ชอบคันนี้ขั้นนี้ชอบในคั้นนี้ออืหนไม่พิจ น, นาไม่สนใจวันเราก็กลายเป็นบ้านไปไดอ้อย่างงี้อย่างเห็นกันนี่นะนีหนังสืออย่างนี้นี่แล้วก็เหมือนกับอาหารว่างเกิดแล้วแล้วตั้งร้านขายหนังสือได้เลยเป็นเศรษฐีได้อย่างของเราเนี่หนังสือเราไมาา่ใช่ น, น้อย้วยนะเท่าไหร่ครับผมจำมาถีแค่14เล่ม อืมันก็พอซื้อพอขายแล้วเงินเป็นล้านแต่ธรรมะเป็นยังไงทีนี้แห้งผาดไม่มีอะไรทีแห้งนี่งกว่าของใจพระที่โลกเห็นใจเงินยิ่งกว่าเห็นจะทํามันนั่นมันก็มีข้อที่ลดร่างกันอยู่ตรงนั้นอยู่ลายเจอแห้งกระช่างเจอคอยทำองค์ว่าใจมันชุ่มเย็นพอพระเจ้ทาท่านชุ่มพระเจ้าเลิศเพราะความชุ่มเย็นทางธรรกับใจนะว่างเนี่ยที่พูดแนละ้วอะไรมันก็ไม่พ้นที่ก่อ กิเลศสวมลอยที่เลดไปตั้งตลาดไปสร้างตลาดในหัวใจในกิจการงานของวัดของวาของพระเจ้าพระสงฆ์ไปหมดวางเลยกิเลศไปสร้างตลาดลงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นว่างเลยเราไม่รู้ว่ามันสร้างตลาดเออไอ่อก็มีแต่เงินอ้อก็มีแต่เงินมีแต่จะซื้อจะขายมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาท่าเดียวนั่นแหะคือกิเลศไปสร้างตลาดมันสร้างได้หมดงานอะไรบ้าได้อะไรได้ทอะไรฟังซิ ได้เท่าไรได้เท่ามันสมบัติอะไรก็ได้เลยดูหัวใจของมันได้มันเสียอะไรมีในนั้นนั่นมัอนถูก น, นั่นเป็นเรื่องของโลกเขาเขาให้มาก็ทําเป็นประโยชน์ไปเท่านั้นก็นแล้วกันมันได้มากเลยน้อยก็เรื่องของขอ ง, ของมันเท่านั้นได้มากก็เพื่อจะทําให้เป็นประโยชน์แก่โลกก็บท่าน น, นี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังมาแข่งทำโดยซ้ำไปบ้างโดยไม่รู้สึกตัวว่าแข่งนะเอาเงินมาแข่งทํา วัดก็เลยเป็นตลาดหาเงินไปพระก็เป็นพ่อค้าไปได้ระว่างหม่เป็นอยู่กับหัวใจแล้วนะ่ะเป็นอยู่กับอะไรแปลไปเหมือนกับทะเลาะกับวัดกับวากับพระเจ้าพระสงฆไปแต่เราก็พูดตามหลักความจริงอย่างไรเราไม่ได้มีเจตน า, าที่จะให้กระทบเป็นผู้ใด น, นะเราพูดตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนจริงไวนะ้น่ะ การพูดตำหรับความจริงผิดไปนี่ถ้างนั้นโลกก็หมดแล้วศาสนาไม่มีอยู่ในหัวใจคนนะพูดความจริงฟังไม่ได้จะแสดงว่าหัวใจนั้นไม่ยอมรับความจริงจะรับแต่ของปลอมล้วนๆเท่านั้นเองเนี่ยมันก็เข้าตรงนั้นเอาเก็บนี้ออกไป